ปวติวาระหนึ่งอุปาทวาระหนึ่งปัจจุบันวาระอนุโลมบุคคลจากขุนตริยมูลกะในร้อยแปดสิบหอนุจากขกุนสีของบุคคลใดกำลังเกิดโสตินรีของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีจากผูกเกิดได้โสตเกิดไม่ได้กำลังอุบัตจากขุนสีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิด แต่โสตินสีไม่ใช่กำลังเกิด บ, <cas. S 1> บุคคลผู Then, ignore, ้มีจักขู่และโสตะเกิดได้กำลังอุบัติจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและโสตินสีก็กำลังเกิดปฏิโสตินรีของบุคคลใดกำลังเกิดจากขุนศีของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีโสตะเกิดได้จักขู่เกิดไม่ได้กำลังอุบัติโสตินร <Tuesday S 2> ีของบุคคลเหล่า <nonsense> นั <jouer> ้นกำลังเกิดแต่จากขุนีไม่ใช่กำลังเกิด บุคคลผู้มีโสตะและจักขุเกิดได้กำลังอุบัติโสทินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและจักขุนรีก็กำลังเกิดอนุจักขุนซีของบุคคลใดกำลังเกิดคานินทรีย์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีจักขุเกิดได้คานะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติจักขุนซีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่คานินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจักขุและคานะเกิดได้กำลังอุบัติ จากขุนสีของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและคานินทรีย์ก็กําลังเกิดปฏิคานินทรีย์ของบุคคลใดกําลังเกิดจากขุนศีของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีคานะเกิดได้จากขูเกิดไม่ได้ก no. um, ําลังอุบัติคานินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่จากขุนสีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีคานะและจากขู่เกิดได้กําลังอุบัติคานินรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิด และจักขุนศีก็กําลังเกิดอนุจักขุนศีของบุคคลใดกําลังเกิดอิทธินศีของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีจักขุเกิดได้อิทธิเกิดไม่ได้กําลังอุบัติจักขุนศีของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่อิทธินศีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีจักขุและอิทธิเกิดได้กําลังอุบัติจักขุนศีของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและอิทธินศีก็กําลังเกิดปฏิ อิทธิ์รีของบุคคลใดกำลังเกิดจากขุนศีของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้จากขุเกิดไม่ได้กำลังอุบัติอิทถิ์ศีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่จากขุนศีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีอิทธิและจากขุเกิดได้กำลังอุบัติอิทธิ์รีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและจากขุนศีก็กำลังเกิดอนุจากขุนศีของบุคคลใดกำลังเกิด ปุริสินสีของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีจักขูเกิดได้ปุริสักเกิดไม่ได้กําลังอุบัติจากขุนสีของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่ปุริสินสีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีจักขู่และปุริสักเกิดได้กําลังอุบัติจากขุนสีของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและปุริสินสีก็กําลังเกิดปฏิปุริสินสีของบุคคลใดกําลังเกิด จากขุนสีของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีปุริสะเกิดได้จากขุเกิดไม่ได้กำลังอุบัติปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่จากขุนสีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีปุริสะและจากขุเกิดได้กำลังอุบัติปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและจากขุนสีก็กำลังเกิดอนุจากขุนสีของบุคคลใดกำลังเกิด ชีวิตินทรีย์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดกำลังเกิดจากขุนศีของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีจักรเกิดไม่ได้กำลังอุบัติชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่จากขุนรีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจักรเกิดได้กำลังอุบัติชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและจากขุนรีก็กำลังเกิด อนุจากขุนสีของบุคคลใดกําลังเกิดโสมณสินศีของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดวิบุคคลผู้มีจักขู่เกิดได้แต่มิจิตปราศจากสมณ์กาลังอุบัติจากขุนสีของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่สมนสินศีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีจักขู่เกิดได้และมีจิตเป็นสมณ์กําลังอุบัติจากขุนสีของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและสมนสินศีข้กําลังเกิดปฏิ สมณสินสีของบุคคลใดกำลังเกิดจากขุนสีของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่อนุจากขุนศีของบุคคลใดกำลังเกิดอุเปกินศีของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีจักขู่เกิดได้แต่มิจิตปราศจากอุเบค้ากำลังอุบัติจากขุนสีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่อุเปกินศีไม่ใช่กำลังเกิด บุคคลผู้มีจักขู่เกิดได้และมีจิตเป็นอุเบกขากำลังอุบัติจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและอุเบกินศีก็กำลังเกิดปฏิอุเบกินศีของบุคคลใดกำลังเกิดจากขุนศีของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีจิตเป็นอุเบกขาแต่จักขู่เกิดไม่ได้กำลังอุบัติอุเปกินศีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่จากขุนศีไม่ใช่กำลังเกิด บุคคลผู้มีจิตเป็นอุเบกขาและมีจักขุเกิดได้กำลังอุบัติบุเปขินสีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและจักขุนสีก็กำลังเกิดอนุจักขุนสีของบุคคลใดกำลังเกิดสัตทินสีของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีจักขุเกิดได้แต่เป็นอเหตุุกะกำลังอุบัติจักขุนสีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่สัตทินสีไม่ใช่กำลังเกิด บุค <c oughs> คลผู้มีจักรผุเกิดได้และเป็นเสหตุกะกำลังอุบัติจกขุนสีของบุคคลเหล่านั้นกำ ล, ลังเกิดและจัตถินรีก็กำลังเกิดปฏิจัตถินรีของบุคคลใดกำลังเกิดจากขุนสีของบุค ค, บคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้เป็นเสหตุกะแต่มีจักรผุเกิดไม่ได้กำลังอุบัติจัตถินรีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่จกักขุนสีไม่ใช่กำลังเกิด บุคคลผู้เป็นเหตุถูกะและมีจักขู่เกิดได้กำลังอุบัติสตินรียของบุคคลเหลา่านั้นกำลังเกิดและจักขุนสีก็กำลังเกิดอนุจักขุนสีของบุคคลใดกำลังเกิดปัญญินรียของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีจักขู่เกิดได้แต่เป็นญาณวิปยุทธ์กำลังอุบัติจักขุนสีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่ปัญญินรียไม่ใช่กำลังเกิด บุคคลผู้มีจักรผุเกิดได้และเป็นญาณสัมปยุทธ์กำลังอุบัติจกขุญสีของบุคคลเหล er er er er an er ่านั้นกำลังเกิดและปัญญรีข้อกำลังเกิดปฏิปัญญรีของบุคคลใดกำลังเกิดจากขุนสีของบุคคลนั้นก็อกำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้เป็นญาณสัมปยุทธ์แต่มีจักรผุเกิดไม่ได้กำลังอุบัติปัญญรีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่จากขุนสีไม่ใช่กำลังเกิด บุคคลผู้เป็นยาณสัมปยุตยและมีจกักรขุเกิดได้กำลังอุบัติปัญญินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและจกักขุนรีก็กำลังเกิดอนุจกักรขุนรีของบุคคลใดกำลังเกิดมณินรียของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิมณินรีย์ของบุคคลใดกำลังเกิดจกักรขุนรีของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีจิตเกิดได้จกักรขุเกิดไม่ได้กำลังอุบัติ มนณีส de ีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่จากขุนสีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจ yes ับขู่เกิดได้กำลังอุบัติมนิีสีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและจากขุนรีก็กำลังเกิดจากขุนทริยะมูลกะในจบคานินทริยมูลกะในร้อยแปดสิบเจ็ดอนุคาีย์ของบุคคลใดกำลังเกิดอิทินรีของบุคคลนั้นก็กาลังเกิดใช่ไหมวิ บุคคลผู้มีคานะเกิดได้อิถิเกิดไม่ได้กำลังอุบัติคานินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่อิถินรีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีคานะและอิถิเกิดได้กำลังอุบัติคานินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและอิถินรีก็กำลังเกิดปฏิอิถินรีย์ของบุคคลใดกำลังเกิดคานินทรีย์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีอิถิเกิดได้คานะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติ อิทธินทรียของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่คานินทรีย์ไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีอิทธิและคานะเกิดได้กําลังอุบัติอิทธินิสัยของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและคาณินทรีย์ก็กําลังเกิดอนุคานินทรียของบุคคลใดกําลังเกิดปุริสินทรีย์ของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีคานะเกิดได้ปุริสจะเกิดไม่ได้กําลังอุบัติคานินทรียของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิด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 บุคคลผู้มีปุริจะและคานะเกิดได้กำลังอุบัติปุริสินรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและคานินทรีย์ก็กำลังเกิดอนุคานินทรียของบุคคลใดกำลังเกิดชีวิตินทรีย์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดกำลังเกิดคานินทรีย์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติ ชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่คานินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีคานะเกิดได้กำลังอุบัติชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและคาินนซีก็กำลังเกิดอนุคานินทรีย์ของบุคคลใดกำลังเกิดสมนณสินทรีย์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีคานะเกิดได้แต่ไม่จิตปราศ จ, จากสมณ์กำลังอุบัติคานินทรียของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิด แต่สมณสินสีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีคานะเกิดได้และมีจิตเป็นโสมณ์กําลังอุบัติคานินรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและสมณสินรียก็กําลังเกิดปฏิสมนณสินรีย์ของบุคคลใดกําลังเกิดคานินทรีย์ของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีจิตเป็นสมนั์แต่คานะเกิดไม่ได้กําลังอุบัติโสมณสินรียของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิด แต่คาเนทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลมีจิต<ม>เป็นโสมนัตและมีคานะเกิดได้กำลังอุบัติโสมนัตสินซีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและาลลาลคาเนนรียก็กำลังเกิดอนุคาเนนรียของบุคคลใดกำลังเกิดอุเปกขินรียของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีคานะเกิดได้แต่มีจิต ป, ปราศจากอุเบขากำลังอุบัติคาเนนรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิด แต่อุเปกินรีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีคานะเกิดได้และมีจิตเป็นอุเบกขากำลังอุบัติคานินรียของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและอุเปกินรีก็กำลังเกิดปฏิอุเปกินรีของบุคคลใดกำลังเกิดคานินทรียของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลมีจิตเป็นอุเบกขาและคานะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติอุเปกินรีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิด แต่คานินทรีย์ไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลมีจิตเป็นอุเบกขาและมีคานะเกิดได้กำเนิดอุบัติอุเบกินทรียของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและคานิานทรีย์ก็กําลังเกิดอนุคานินทรียของบุคคลใดกําลังเกิดสัตตินทรีย์ของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีคานะเกิดได้เป็นอเหตุตุกะกําลังอุบัติคานินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่สัตทินทรีย์ไม่ใช่กําลังเกิด บุคคลผู้มีคานะเกิดได้และเป็นเสหตุกะกำลังอุบัติคานินทรียของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและสัตทินรียก็กำลังเกิดปฏิสัตทินรียของบุคคลใดกำลังเกิดคานินรียของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้เป็นเสหตุกะมีคานะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติสัตทินรียของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่คานินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิด บุคคลผู้เป็นเสติตุกะและมีคานะเกิดได้กำลังอุบัติสตินทรียของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและคานินทรีย์ ก, ก็กำลังเกิดอนุคานินทรีย์ของบุคคลใดกำลังเกิดปัญญินทรีย์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีคานะเกิดได้เป็ น, ปนญาณวิปยุตยกำลังอุบัติคานินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่ปัญญินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิด บุคคลผู้มีคานะเกิดได้และเป็นญาณสัมปยุสกําลังอุบัติคานินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและปัญญินทรียก็กําลังเกิดปฏิปัญญินทรีย์ของบุคคลใดกําลังเกิดคานินทรียของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้เป็นญาณสัมปยุสแต Nich ่ม <mas> ีคานะเกิดไม่ได้กําลังอุบัติปัญญินทรียของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่คานินทรีย์ไม่ใช่กําลังเกิด บุคคลผู้เป็นญาณสัมปยุตและมีคานะเกิดได้กำลังอุบัติปัญญินรียของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและคานินทรียก็กำลังเกิดอนุคานินทรียของบุคคลใดกำลังเกิดมนินทรียของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิมนินทรีย์ของบุคคลใดกำลังเกิดคานินทรีย์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีจิตเกิดได้คานะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติ มณีนรีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่คาเนทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีคานะเกิดได้กำลังอุบัติมณีนทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและคาเนทรียก็กำลังเกิดคาเนทริยมูลกะในจบอิทินทริยามูลกะในร้อยแปดสิบปดอนุอิถินรีของบุคคลใดกำลังเกิดบุริสินรีย์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหม วิไม่ใช e ่ปฏิปุริสินทรีย์ของบุคคลใดกําลังเกิดอิทถินรีย์ของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิไม่ใช่อนุอิทธินรียของบุคคลใดกําลังเกิดชีวิตินทรีย์ของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดกําลังเกิดอิทถินรียของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีอิทธิ์เกิดไม่ได้กําลังอุบัติ ชีวิตินทรียีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่อิทธินทร์สีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้กำลังอุบัติชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและอิทธิินทรียีก็กำลังเกิดอนุไอทธินทร์สีของบุคคลใดกำลังเกิดสมนณสินทรีย์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้แต่ม่จิตปราศจากสมณ์กำลังอุบัติอิทธินทรียีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิด แตมสมณสินสีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้และมีชีพเป็นสมนั์กำลังอุบัติอิทธินสีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและสมณสินสีก็กำลังเกิดปฏิสมนณสินสีของบุคคลใดกำลังเกิดอิทธินสีของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลมีชีพเป็นสมนณ์แต่มีอิทธิเกิดไม่ได้กำลังอุบัติสมณสินสีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิด แต่อิทธินิสีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลมีจิตเป็นโสมณัตและมีอิทธิเกิดได้กําลังอุบัติโสมนัตสินสีของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและอิทธินีสีก็กําลังเกิดอนุอิทธินิสีของบุคคลใดกําลังเกิดอุเบกินรีของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้แต่มิจิตปราศจากอุเบกขากําลังอุบัติอิทธินิสีของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิด แต่อุเปกินสีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้และมีจิตเป็นอุเบกขากำลังอุบัติอิทธินสีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและอุเปกินรีข้อกำลังเกิดปฏิอุเปกินสีของบุคคลใดกำลังเกิดอิทธิินสีของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลมีจิตเป็นอุเบกขาแต่อิทธิเกิดไม่ได้กำลังอุบัติอุเปกินสีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิด แต่อิทินสีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลมีจิตเป็นอุเบกขาและมีอิทธิเกิดได้กําลังอุบัติอุเบกินรีของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและอิทินสีก็กําลังเกิดอนุอิทินสีของบุคคลใดกําลังเกิดสัตทินรียของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้แต่เป็นอเหตุกะกําลังอุบัติอิทินสีของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่สัตทินรีไม่ใช่กําลังเกิด บุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้และเป็นเสหตุกะกำลังอุบัติอิทธินิสีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและสัจทินสีก็กำลังเกิดปฏิสัจทินสีของบุคคลใดกำลังเกิดอิทธินิสีของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้เป็นเสหตุกะมีอิทธิเกิดไม่ได้กำลังอุบัติสัจทินสีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่อิทธินิสีไม่ใช่กำลังเกิด บุคคลผู้เป็นสเสห์ทุกะและมีอิทธิเกิดได้กำลังอุบัติสัตทินทรียของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและอิะทธินทรียข้อกำลังเกิดอนุอิทธินทรีของบุคคลใดกำลังเกิดปัญญินทรีย์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้แต่ปัญญานวิปยุทธ์กำลังอุบัติอิทธินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่ปัญญินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิด บุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้และเป็นญาณสัมปยุกกำลังอุบัติอิทธิ์สีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและปัญญรีย์ก็กำลังเกิดปฏิปัญญรีย์ของบุคคลใดกำลังเกิดอิทธิ์สีของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้เป็นญาณสัมปยุ์แต่มีอิทธิเกิดไม่ได้กำลังอุบัติปัญญรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่อิทธิ์สีไม่ใช่กำลังเกิด บุคคลผู้เป็นญาณสัมปยุตและมอิถ right? ีเกิดได้กำลังอุ บ, บัติป <Pierre> ัญญินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและอิถินซีก็กำลังเกิดอนุอิถินซีของบุคคลใดกำลังเกิดมนินทรีย์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิมนินทรีย์ของบุคคลใดกำลังเกิดอิถินซีของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีจิตเกิดได้อิถีเกิดไม่ได้กำลังอุบัติ มนิณีศีของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่อิทินรียไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้กํำลังอุบัติมนนิทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและอิทินรียข้อกําลังเกิดอิทินธริยมูลกะในจบปุริสินธริยมูลกะในร้อยแปดสบเกอนุปุริสินรีย์ของบุคคลใดกําลังเกิดชีวิตินทรียของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหม วิใช่ปฏิชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดกําลังเกิดปุริสินรีย์ของบุคคลนั้นก็ก <im USS Chinese ears> ําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีปุริสะเกิดไม่ได้กําลังอุบัติชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่ปุริสินรียไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีปุริสะเกิดได้กําลังอุบัติชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและปุริสินรีย์ก็กําลังเกิดอนุ ปุริสินสีของบุคคลใดกําลังเกิดสมุนนะสินสีของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีปุริสจะเกิดได้แต่ไม่จิตปราศจากสมุนนะกําลังอุบัติปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่สมุนนะสินสีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีปุริสจะเกิดได้และมีสมุนนะกําลังอุบัติปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและสมุนนะสินสีก็กําลังเกิดปฏิ สมณสินสีของบุคคลใดกําลังเกิดปุริสินสีของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลมีจิตเป็นโสมณัตแต่ปุริสะเกิดไม่ได้กำลมงอุบัติโสมนณสินสีของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่ปุริสินสีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลมีจิตเป็นโสมณัตและมีปุริสะเกิดได้กำลังอุบัติโสมนณสินสีของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและปุริสินสีข้อกาลังเกิดอนุ ปุริศินสีของบุคคลใดกําลังเกิดอุเบขินรีของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดกใช่ไหมวิบุคคลผู้มีปุริสะเกิดได้มีจิตปราศจากอุเบกขากําลังอุบัติปุริศินสีของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่อุเบขินรีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีปุริสะเกิดได้และมีจิตเป็นอุเบกขากําลังอุบัติปุริศินสีของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและอุเบขินรีข้อกําลังเกิดปฏิ อุเบกินสีของบุคคลใดกำลังเกิดปุริสินสีของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลมีจิตเป็นอุเบกขาแต่มีปุริจะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติอุเบกินรีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่ปุริสินสีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลมีจิตเป็นอุเบกขาและมีปุริจะเกิดได้กำลังอุบัติอุเบกินรีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและปุริสินสีก็กำลังเกิดอนุ ปุริสินสีของบุคคลใดกําลังเกิดสัทตินสีของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีปุริสะเกิดได้แต่เป็นอเหตุถุกะกําลังอุบัติปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่สัจทินสีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีปุริสะเกิดได้และเป็นสเหตุถุกะกําลังอุบัติปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและสัจทินสีข้อกาลังเกิดปฏิ จัตตินีของบุคคลใดกำลังเกิดปุริสินรี์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้เป็นเหตุถูกะแต่มีปุริสะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติจัตตินีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่ปุริสินีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้เป็นเหตุถูกะและมีปุริสะเกิดได้กำลังอุบัติจัตตินีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและปุริสินรียก็กำลังเกิดอนุ ปุริส <bum ather imin ology> <pr> ิน <Why>? สีของบุคคลใดกําลังเกิดปัญญินทรีย์ของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีปุริสะเกิดได้แต่เป็นญาณวิปยุตกําลังอุบัติปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่ปัญญินทรีย์ไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีปุริสะเกิดได้และเป็นญาณสัมปยุตกําลังอุบัติปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและปัญญินทรีย์ก็กําลังเกิดปฏิ ปัญญินทรีย์ของบุคคลใดกําลังเกิดปุริสินทรีย์ของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้เป็นญาณสัมปยุตแต่มีปุริสะเกิดไม่ได้กําลังอุบัติปัญญินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่ปุริสินทรีย์ไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้เป็นญาณสัมปยุตและมีปุริสะเกิดได้กําลังอุบัติปัญญินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและปุริสินทรีย์ก็กําลังเกิดอนุ ปุริสินีของบุคคลใดกําลังเกิดมนินทรีย์ของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิมนินรียของบุคคลใดกําลังเกิดปุริสินีของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีจิตเกิดได้ปุริสสะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติมนินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่ปุริสินีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีปุริสสะเกิดได้กําลังอุบัติ มนณีศีของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและปุริสินรีย์ก็กําลังเกิดปุริสินทรียะมูลกะในจบชีวิตินทรียะมูลกะในร้ 190. อเก้าสอนุชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดกําลังเกิดสมนณ ส, สินรีย์ของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลมีจิตปราศจากสมนัตกําลังอุบัติในอุปาทคณะแห่งขิตที่วิปยุตจากสมนัติในประวัติการ ชีวิต João, mm ินทรียีของบ um ุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่สมณสินทร์สีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลมีจิตเป็นสมณนักําลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่สำปรยุทธ์ด้วยสมณนักในประวัติการชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและสมณสินทร์สีก็กําลังเกิดปฏิสมณสินทร์สีของบุคคลใดกําลังเกิดชีวิตินทร์สีของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิใช่อนุ ชีวิตินทรียีของบุคคลใดกำลังเกิดอุเบกขินทร์สีของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลมีจิตปราจาอุเบกขากำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุจจากอุเบกขาในประวัติการชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่อุเบกขินทร์สีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจิตเป็นอุเบกขากำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่สัมปยุจด้วยอุเบกขาในประวัติการ ชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและอุเบกขินทรียีข้อกำลังเกิดปฏิอุเบกขินทรียีของบุคคลใดกำลังเกิดชีวิตินทร์สีของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่อนุชีวิตินทร์สีของบุคคลใดกำลังเกิดสัจตินทรียีของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้เป็นอเหตุกะกำลังอุบัติในอุปาทคณะแห่งจิตที่วิปยุตแจกศรัทธาในประวัติการ ชีวิตินทรีซีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่สัตทินทรีซีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้เป็นเหตุตกะกำลังอุบัติในอุปาทขณาแห่งจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยศรัทธาในประวัติการชีวิตทินทรีซีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและสัตทินทรีซีก็กำลังเกิดปฏิสัตทินทรีซีของบุคคลใดกำลังเกิดชีวิตินทรีย์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่อนุ ชีวิตจริงซีของบุคคลใดกำลังเกิดปัญญทรียซของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้เป็นญาณวิปยุตกำลังอุบัติในอุปาทคณะแห่งจิตที่วิปยุตจากญาณในประวัติการชีวิตจริงซีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่ปัญญทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้เป็นญาณสัมปยุตกำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่สัมปยุตด้วยญาณในประวัติการชีวิตจริงซีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิด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 ในอุปาทาขณะแห่งจิตในประวัติการชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและมนิณณ์สีก็กําลังเกิดปฏิมนินทรีย์ของบุคคลใดกําลังเกิดชีวิตินทรีย์ของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิใช่ชีวิตินทรียมูลกะในจบสมณสินทรียมูลกะในร้อยเก้าสิบเอดอนุสมณสินรีย์ของบุคคลใดกําลังเกิด ภูเบก uhm si ินสีของบุคคลนั <mel> <ged mean> ้นก <mel> ็กำลังเกิดใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิภูเบขินสีของบุคคลใดกำลังเกิดโสมนัสสินสีของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิไม่ใช่อนุโสมนัสสินสีของบุคคลใดกำลังเกิดสัจทินสีของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลมีจิตเป็นโสมนัสเป็นอเหตุถุกละกำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยโสมนัส แต่วิปยุติจากศรัทธาในประวัติการโสมนัสสินสีของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่สัตทินสีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลมีจิตเป็นโสมนัสกำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่สัมปยุติด้วยโสมนัสและศรัทธาในประวัติการโสมนัสสินสีของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและสัตทินสีก็กําลังเกิดปฏิสัตทินสีของบุคคลใดกําลังเกิดโสมนัสสินสีของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหม บุคคลผู้เป็นเหตุถุกะแต่มีจิตปราชาชาวสมนักําลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยศรัทธาแต่วิปยุทธ์จากสมนัดในปวัติการสัตยินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่สมนัดศีนศีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีจิตเป็นสมนักําลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยศรัทธาและสมนัดในปวัติการสัตยินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิด และสมณสินสีโคกกำลังเกิดอนุสมนัสินสีของบุคคลใดกำลังเกิดปัญญรีย์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลมีจิตเป็นสมนัตเป็นญาณวิปยุทธกำลังอุบัติในอุปาทาขณะแห่งจิตที่สัมปยุทธด้วยสมนัตและวิปยุทธจากสมนัตในประวัติการสมณสินสีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่ปัญญรีย์ไม่ใช่กำลังเกิด บุคคลมีจิตเป็นโสมนัสและเป็นญาณสัมปยุคกำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่สัมปยุค ด, ด้วยโสมนัสและญาณในปวัตถการโสมนัสินสีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและปัญญรียขอคค้อกำลังเกิดปฏิปัญญรีย์ของบุคคลใดกำลังเกิดโสมนัสินสีของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้สัมปยุคด้วยญาณซึ่งกำลังอุบัติด้วยจิตปราศจากโสมนัส ในอุปาทคณะแห่งจิตที่สัมปยุตได้วยานวิปยุตจากโสมนัสในประวัติการปัญินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่โสมนัสินรีย์ไม่เช่กําลังเกิดบุคคลผู้สัมปยุตได้วยานซึ่งกําลังอุบัติด้วยจิตที่เป็นโสมนัสในอุปาทคณะแห่งจิตที่สัมปยุตได้วยานและโสมนัสในประวัติการปัญินรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและโสมนัสินรียข้อกําลังเกิดอนุ สมุนณสินสีของบุคคลใดกําลังเกิดมนินทรียของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิมณินทรีย์ของบุคคลใดกําลังเกิดสมุนณสินสีของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีจิตเกิดได้แต่มีจิตปราศจากโสมุนั์กาลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่สัมปยุทธิ์โดยสมุนณ์ในปรวัติการมณินทรียของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิด แต่สมณสินสีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลมีจิตเป็นสมมนะ ก, กำลังอุบัติในอุปาทขณะเห่จงจิตที่สัมปยุธ์ด้วยสมมณ์ในประวัติการมนินรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและสมมณศินสกีก็กำลังเกิดสมณสินตรียะมูลกะในจบอุเปขินทรียะมูลกะในร้อยเ้าสบสองอนุอุเปขินสีของบุคคลใดกำลังเกิด สัตทินรียของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลมีจิตเป็นอุเบกขาและเป็นเหตุกะกำลังอุบัติในอุปาทคณะแห่งจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยอุเบกขาแต่วิปยุทธ์จากศรัทธาในประวัติการอุเบกินซีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่สัตทินรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลมีจิตเป็นอุเบกขาและเป็นเหตุตกะกำลังอุบัติในอุปาทคณะแห่งจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยอุเบกขาและศรัทธาในประวัติการ อุเบกินรีของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและสัตตินรีก็กําลังเกิดปฏิสัตตินรีของบุคคลใดกําลังเกิดอุเบกินรีของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้เป็นเหตุถูกะได้มิจิตปราชากอุเบคากําลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่สัมปยุทธด้วยศรัทธาแต่วิปยุทธจากอุเบคาในประวัติการสัตตินรียของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่อุเบกินรีไม่ใช่กําลังเกิด บุคคลผู้เป็นเศตษุกะและมีจิตเป็นอุเบกขากําลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่สัมปยุทธิศรัทธาและอุเบกขาในประวัติการสัจทินรียของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและอุเบกินสีข้ขอกําลังเกิดอนุอุเบกินสีของบุคคลใดกําลังเกิดปัญญินทรีของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลมีจิตเป็นอุเบกขาแต่เป็นญาณวิปยุตกําลังอุบัติ ในอุปาทัคขณะแห่งจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยอุเบกขาแต่วิปยุทธ์จากยานในประวัติการอุเบกินสีของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่ปัญญินรียไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลมีจิตเป็นอุเบกขาและเป็นญาณสัมปยุทธ์กำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยอุเบกขาและยานในประวัติการอุเบกินสีของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและปัญญินสียก็กําลังเกิดปฏิ ปัญญินทรีย์ของบุคคลใดกำลังเกิดอุเบกินทรีย์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้เป็นญาณสัมปยุต์แต่มีจิตปราศจากอุเบกขากำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่สัมปยุติด้วยญาณแต่วิปยุติจากอุเบกขาในประวัติการปัญญินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่อุเบกินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้เป็นญาณสัมปยุต์และมีจิตเป็นอุเบกขากำลังอุบัติ ในอุปาทคณะแห่งจิตที่สัมปยุทธ carry ์ด้วยญานและอุเบกขาในปวัติการบันยินรียของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและอุเปกินรีก็กำลังเกิดอนุอุเปกินรีของบุคคลใดกำลังเกิดมณินรีย์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิมณินรียของบุคคลใดกำลังเกิดอุเปกินรีของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิ บุคคลมีจิตเกิดได้แต่ไม่จิตปราศจากอุเบกขาแต่กําลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุจจากอุเบกขาในปวัติการมนินรียของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่อุเปกินรีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลมีจิตเป็นอุเบกขากําลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่สัมปยุจด้วยอุเบกขาในปวัติการมนินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและอุเบกินรีก็กําลังเกิด อุเปขินตรียมูลกะในจบสัถินตรียมูลกะในร้อยเก้าสินุสถินซีของบุคคลใดกําลังเกิดปัญญรียของบุคคล น, นั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้เป็นสเสหทุกะเป็นญาณวิปยุทธกําลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิต ท, ที่สัมปยุทธด้วยศรัทธาแต่วิปยุทธจากญาณในประวัติการสัทินรียของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิด แต่ปัญญิีสีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้เป็นเหตุตุกะและเป็นญาณสัมปยุตกำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่สัมปยุตด้วยศรัท ธ, ธาและยานในประวัติการสถินรียของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและปัญญียีก็กำลังเกิดปฏิปัญญีสีของบุคคลใดกำลังเกิดสัทินรีย์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่อนุสัถินรีย์ของบุคคลใดกำลังเกิด มนินรียีของบุคคล น, นั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิมนินทีย์ของบุคคลใดกำลังเกิดสัตตินรียีของบุคคล น, นั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีจิตเกิดได้แต่เป็นอเหตุกะกำลังอุบัติในอุปทาทภณะแห่งจิตที่วิป ย, ยุจจากศรัทธานในประวัติการมนินีสีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่สัตตินรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้เป็นอเหตุตกะกำลังอุบัติ ในอุปาทคณะแห่งจิต ท, ที่สัมปยุทธ์ด้วยศรัทธาในประวัติการมนณีศีของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและสัตทินรียก็กําลังเกิดสัตทินทรียมูลกะในจบปัญญทรียมูลกะในร้อเก้าอนุปัญญรียของบุคคลใดกําลังเกิดมนนิทรีย์ของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิมนนิรียีของบุคคลใดกําลังเกิด ปัญญินสของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีจิตเกิดได้แต่เป็นญาณวิปยุต์กำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุจจากยาในประวัติการมัญญินสีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่ปัญญินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้เป็นญานในสัมปยุต์กำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่สัมปยุจด้วยยาในประวัติการมัญญินสีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและปัญญินรียก็กำลังเกิด ปัินทรียะมูลกะในจบ